اللهم ا ل ل ه ن ا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وصلى الله على نبيه ومسافه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى م د ي ن وسلم تسليما كثيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อุรานนี้ถูกประชนูประทานลงมาเพื่อปรับความเข้าใจที่จะต้องมีต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะมนุษยชาติทั้งหลายนี่มีประสบการณ์กับคำพี และคำสั่งสอนของบรรดาศาสนทูตคือนบีละรสซูลก่อนอัลคุรอ่านและก่อนท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักมันเต็มไปด้วยความบิดพริ้วของผู้รู้บางคนนักศาสนานักบวชนักบวชบาตรหลวงบางคน ที่ทำลายภาพที่แท้จริงด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตั้อัลลอฮฺซุบฮานาอูวาตั๋ลลัซึ่งคำพีก่อนอัลกุรอานเช่นเตวรชเช่นอินจีลและอื่นๆด้วยก็ไม่น้อยนะ แล้ประสบการณ์มนุษย์กับบรรดาคำภี่เหล่านี้ก็ไม่น้อยนะถ้าอย่างที่เรนนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิซซัลลัมได้บอกว่านบีรัสูลทั้งหลายนแสนกว่าท่านในมุฮัมมัดได้เป็นคนสุดท้ายใช่นบีรูลแสนกว่าท่านเฉพาะรสูลที่มีบทบัญญัติเนี่ยสาร้อยกว่าท่าน อีมุฮัมมัดนานสุดท้ายใช่ป่ะแสดงว่าประสบการณ์มนุษย์กับคัมภีรเนี่ยก็เป็นสิบๆอาจจะเป็นร้อยเล่มประสบการณ์กับบรรดาศาสนทูตเนี่ยเป็นแสนคนแต่ล้วนเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยการบิดเบือน ซึ่งมันมันน่าสังเกตว่าเอ๊แล้วทำไมทุกศาสนาทุกศาสนาทุกที่เนี่ยพอผ่านวนไปแล้วเนี่ยช่วงระยะหนึ่งก็จะถูกิดเบือนอันนี้อันนี้มีคาตอบแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นของเราไม่ประเด็นยุคปุณนิประสบการณ์ของมนุษย์กับศาสนาที่ถูกวิดเบือนเนี่ยไม่น้อยและเ่มูฮัมมัดสุลต รวมถึงกุอ่านที่ถูกประทานลงมาก็จะเป็นวรระสุดท้ายของคำสอนแห่งฝากฝ่าเหมือนคนจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วนะที่บกว่าเนี่ยมีโอกาสเดียวคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุยครั้งเดียวจบหลังจากนี้ไม่คุยลว ในการสื่อสารระหว่างพระวิจ้ากับมนุษย์ในครั้งสุดท้ายเนี่ยหรว่ารัศมท้ายที่จะตัดตัดความสัมพันธ์อันประกอบด้วยบรรดาอับเบโลซูและคำภีที่ที่ถูก ท, ท, ทยอยลงมามาตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยเราจะต้องอาศัยคำสั่งสอนเดียวที่มีความ เพียงพอที่จะคุ้มครองดูแลศาสนาจากการบิดเบือนไม่ใช่หมายถึงว่าห้ามการบิดเบือนอย่างสิ้นเชิงนะแต่จะให้มีมาตรการมาตรการถ้ามีใครพยายามที่จะบิดเบือนศาสนาซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนก็จะต้องมีก็ต้องมีหลักเกณฑ์ ที่จะคุ้มครองคำสั่งสอนให้มันคงอยู่แล้วก็ถูกรักษาถูกพิทักษ์โดยตลอดและการนี้ <c oughs> <c oughs> มันเป็นหลักการทางธรรมชาติกฎทางธรรมชาติที่อัลลอฮ์วางไว้กฎ <c oughs> ทางธรรมชาตินี้ก็คือ ผู้ที่มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งกว่าย่อมมีสิทธิที่จะอยู่นานกว่าน้ำอสุจิที่พุ่งออกมาจากผู้ชายไปอยู่ในมดลูกของมันดานี่นับเป็นล้านตัวแต่ที่ไปเจาะตัวกับไข่เพียงละกำหนดเดี่ยวตัวเดียว แปะก็บอกก็คือตัวที่แข็งแรงที่สุดน่นแหะตัวที่ตัวที่ดิ้นรนที่สุดนี่ก็ทางธรรมชาติน่นแหะตัวที่ตัวที่ดิ้นรนที่สุดนี่ก็ทางธรรมชาติเช่นเดียวกันคนที่แข็งแรงที่สุดคนที่จะป่วยน้อยที่สุดตัวอย่างก็มีเยอะให้เห็นในสังคมมนุษย์หรือสังคมชีวิตอื่นๆ ในเอการนั่ก็มีใ ห, ห้ถ้าประยุกต์ตัวอย่างในเชียงนํามาทํามากกว่านะก็คือคนที่มีความรู้ความคิดที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ความคิดของคนนี้จะอยู่นานกว่านานกว่าความคิดที่ไม่สั่งสนานกว่าความคิดที่ที่สร้างความขัดแย้งความคิดที่สร้างความเกลียดชัง เหมือนอัลวางเป็นระบบในในโลกจักรวาล น, นี้ว่าอะไรที่มันแข็งแรงที่มันดีงามะนะมันจะมีประโยชน์แล้วแล้วมันจะอยู่นานกว่าความแข็งแรงนี่อาจจะมาในรูปแบบที่คุณสมบัติน้านความแข็งแกร่งอะ่ะแข็งแข็งอะ่ะหรือความแข็งแรงในด้านในเชิงนมามธรรมศีลธรรมนี่มันแข็งแรงกว่า ความชวความจริงเนี่ยมันแรงกว่ามีพลังงานมากกว่าความทิศรแต่คุตอานก็ได้วางมาตรการในการรักษาพิทักษ์ความถูกต้องไม่มบิดเบือนจะเดินไม่เกิดปัญหาเหมือนทุกครั้งเนี่ยประทานลงคัมภีร์ลงมาเนี่าวพวกบิดพิพวก มาหลวงนี่มาฉันรูนแบบนี้แบนี้าันงอเล็กอซื้อซื้อขายทำธุรกิจกับคัมภีรกับใครจะใจมากกว่าเขาก็จะอ่ามบิดเบือนให้แต่รุ่แต่ละสมัยนี้ก็ก็จะมีเรื่องนี้เียมากมาอย่างกว้างขวางจนกระทั่งไม่พบ คำพีและคำสั่งสอนที่เป็นมาตรฐานที่สามารถเปรียบเทียบได้แม้กระั่งคำสั่งสอนที่มันถูกต้องแล้วอะนะก็โดนข้อหาว่าเป็นคำสังสอนที่ถูกบิดเบือนโดยสัำไป ท, ทุกอย่าง ทุกอย่างในโลกเนี้ยจะต้องมีมาตรฐานต้องมีมาตรวัดเราจะรู้ยังไงว่าความแข็งแรงก็คือแบบนี้คนแข็งแรงคือคือใครมันมันต้องมีมาตรฐานในในสังคมมนุ์เน่ะแข็งแรงคนที่มีกล้ามใชม่คนที่ทำงานหนักคนที่เออทนอดทนสูงอ่ะั น, นีคือความแข็งแรง แคนแข็งแรงก็คือคนที่คนที่สุขภาพเขาเขาดีกว่าเม็ดเลือดเขามีคุณภาพสูงกว่าอันนี้มาตรฐานที่คนเขาไม่ยอมรับกันไม่มีใครยอมรับอนนบางคนนแ่งบางคนีอ่อนแอมากแต่ไปดูแต่ไปเช็คเลือดเขาในเลือดเขาเลือดเขาเนี่ ย, ยมีคุณสมบัติที่แข็งแรงกว่าคนที่ดูเหมือนว่แข็งแรง คนอื่นมาตรฐานนี้เนี่ยคนเขาไม่ยอมรับอาจจะมีเหตุผลนี้มาถึงเรื่องความจริงความทิศศัจธรรมไม่ศัจธรรมเนี่ยเราจะเอามาตรฐานอะไรมาวัดนักบัณฑิบอกว่าถ้าเรายอมรับว่าแหล่งของความจริงของศัธรรมเนี่ยต้องเป็นอัลลอฮ เราผู้ทรงศารนาไม่น่าจะมีศธรรมไม่น่าจะมีใครที่จะกําหนดศาสนาอื่นจากอ l l a h อันนี้เราต้องสมมติฐานมิก่อนและถ้ามีสมมติฐาอื่นอ้ากระดุมมีคนอื่นที่สามารถกําหนดศธสนาอื่นจาก Allah หรอยุ่งเลยนะ ทีนี้ผู้ศัทธานี่ยเขาถือว่าการมีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยเป็นที่กลับเป็นที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนั่นหมายรวมว่ามาตรฐานของความจริงและลธมเนี่ยต้องมาจากอ AH. ัลลอฮฺ سبحانه และก็ถ้าเป็นเช่นนั้นทุกสิ่งที่เป็นคําสั่งสอนของอัลลอฮ์ที่พิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้เนี่ยต้องเป็นมาตรฐานสัจธรรม สบับสุด okay. ท้ายที่อัลลอฮ์ส่งมานี่ก็คือกุรานกุรานนี่ก็จะต้องเป็นมาตรฐานสําหรับทุกคนที่อยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยมีศาสนาไม่มีศาสนาถูกต้องไม่ถูกต้องนี่ก็ต้องต้องเอาคุรานเพราะคุรานนี่แหล่งของศาสนาของมันนี่ก็คืออัลลอฮ์สุพรรณนบอตาลาพระเจ้าที่เราศรัทธาวะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเฮลกันอยู่กับคุรานที่การนี้ม่อยู่กุรานเนี่ยอันเนี่ยที่เราจะวัดผู้คนในสังคมมนุษย์เนี่ยว่า เขาเนี่ยอยู่กับ Allah หรือไม่อยู่กับ Allah เขาเนี่ยดว่าในความถูกต้องหรือไม่ดว่าในความถูกต้องคุณอานจึงเอาตัวเนี้มาเป็นมาตรฐานมาตรฐานว่าใครควรอยู่ใครไม่อยู่ใครแข็งแรงใครไม่แข็งแรงใครที่ต้องยั่งยืนใครที่ไม่ยั่งยืนก็ ค, คือคนที่ อยู่ในอยู่ในแนวทางของศธรราที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้านั้นคือผู้ทรงมั่งมีผู้ทรงเอนดูเมตตาทาไมออนี้มีเหตุผลออนีมั่งมี คือไม่ต้องการคนอื่นไม่ต้องการผู้อื่นดุรหมเอื้อเฟือ้อต่อผู้อื่นมันเป็นสองคุณลักษณะที่มนุษย์มนุษย์เนี่ยจะจะมีไม่ได้หรอก มั่งมีแล้วก็ไม่ต้องการใครเลยไม่มีเป็นไปได้มนุษย์ที่มั่งข้างมั่งมีและไม่ตาคนอื่นเนี่ยมีแต่ไม่ต้องการอื่นนั้นอันนี้ไม่มีต้องอัลลสุฮานะเวตาออย่างเดียวและนี่คือความหมายของควาควา่าอัลลอนีอัลลอนีมั่งมีซึ่งเป็นลักษณะที่มนุษย์ใช้ได้เราบอกฮฮ แต่จะรูกันีอนักธุรกิจคนนี้กันี่อยู่กันี่อว่าร่ำรวยมั่งมีมั่งคัง่งใช้ได้โดยคุณลักษณะนเนี้ยอั oh, ลกันยกับพระอง์ก็คือมั่งมีที่ไม่ต้องการอันนี้ต้องต้องเสริมมั่งมีที่ไม่ต้องการใครเลยและผู้อื่นแตงหากที่ต้องการพระองค์ นี่คือเนื้อของคำว่าแอลกอนี่ของของพระเจ้าอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้มนุษย์มาไม่ต้องการให้มนุษย์นี่มาช่วยกําหนดคุณสมบัติของความถูกต้องไม่ต้องการให้มนุษย์นี่มาชี้แนะอะไรผิดอะไรถูกพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์ น, ษยย น, น, ษยนี่า ม, า ม, นมามาจำกับ กระบวนการพิสูจน์ความถูกต้องให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ต่งหากต้องเป็นผู้ที่กำหนดสิ่งเหล่านี้ทั้งทั้งสิ้นเรื่องนี้มันมีความสำคัญแค่ไหนอะในในสังคมปัญญาชนคนคนเราเนี่ที่มีสมองคิดเนี่ย เพราะทุกเรื่องที่มันเป็นปัญหาขัดแย้งในสังคมสังคมมนุษย์เนี่ยมักจะเกิดจากการที่ไม่มีมาตรฐานเดียวกันในการวิสูจน์ความถูกต้องโดยเฉพาะย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องใหญ่เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับมีพระเจ้าไม่มีพระเจ้ามีโลกหน้าไม่มีโลกหน้ามีสวรรค์ไม่มีสวรรค์มีนรกอยู่กันในโลกนี้แค่ไหนชั่วคราวหลังนี้มีโลกอีกเรียกว่าอันเนี่ย เรื่องใหญ่ที่บรรดาปราลดระดับโลกทุกตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นเป็นวาระใหญ่ที่ที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยขาเขากควนอยู่นั้นทุกคนทุกคนต้องคิดอ น, นี้ของแบบเนี้ยพอมานั่งถกเถีงยงกันนะถ้าถ้าไม่มีมาตรฐานเดียวกันนะโอ้สารพัดสารพัดอย่างมันก็อย่างที่เราเห็นกัน แต่อัลลอฮ์ต้องการให้เราได้ตระหนักว่าพราะองค์มั่งมีคือพวกเราเนี่ยต้องตระหนักว่าอัลลอฮ์เนี่ยที่มีเราเนี่ไม่มีแต่ความมั่งมีเนี่ยในสุรออาอะลามที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องสมบัติเรื่องเรื่องเงินเรื่ ง, รงทองนะแต่พูดถึงเรื่องเรื่องความร่ํารวยด้านศิลธรรมความร่ํารวยด้าน การยึดมั่นในความถูกต้องตลอดซูรน่นีพูดถึงเรื่องนี้สแสดงว่าความมั่งมีที่เลากาลังพูดถึงเนี่ยอัลลอฮ์มั่งมีคือเรื่องความถูกต้องที่พวกเราต้องการนะนะอยู่ที่อัลลอฮ์แสดงว่าเราต้องมุ่งไปหาอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ไม่ได้เป็นผู้มั่งมีเหมือนคนมั่งมีทั่วไปเขามั่งมีร่ารวย แล้วร้อยคนมาขอทานร้อยคนมาขอความช่วยเหลือรุ่หุ่มเป็นผู้มั่งมีและผู้ทรงอินดเมตตาหมายถึงว่าพราะองค์ที่มีความมั่งคั่งด้านความถูกต้องด้านสีจธรรมด้านศีลธรรมด้านคุณธรรมพระองค์เนี่ยจะเอื้อให้ความจริงและคุณธรรมเนี่ย กระจายไปยังผู้อื่นพระองค์จะไม่เกียวไว้ถ้าเราได้นับความจริงและความกัน่เป็นทรัพย์ ส, บสมบัติอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องมีมูลค่าสำหรับปัญญาชนมากกว่าทรัพย์สมบัติที่เขาวัดกันด้วยเงินด้วยทองคนถูกเนี่ยคนถูกแต่จนกับคนผิดก็รวย ถ้าปัญญาชนบอกว่าใครดีกว่าใครปัญญาชนนะคนถูกที่จนนี่แหละดีกว่าคนรวยและผิดแต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาชนนะ<ม>รวยด้วยหวยอย่างเงี้ยซื้อลอตเตอรี่แล้วจะได้รวยแล้วก็ถูกด้วยถูกไม่ใช่ถูกต้องนะถูกหวย ผมบอกแล้วนะี่คำนี้ต้องตัดไปอย่าใช้คำว่าถูกหวยโดนสับสนนะคนนั้นคนนั้นได้หวยบางค น, น, นถูกนะถูกถูกอะไรผิดเต็มเต็มเลยแต่นี่สังคมนี่เขาว่าไง คนที่รวยล่าสุดนี่พ้าที่ถูกหวยเท่าไหร่นะส2บสองล้านเท่าไหร่กันไม่รู้ใช่ไหมถูกหวยสิบสองล้านพูดด้วนะว่าขึ้ก่อนแรกอันแรกเขาบอกคุณรู้เปล่าว่าใครถูกหวยนี่อันแรกที่ต้องทำนี่คืออะไรคือโงพักอืมองพนี่เคยเล่นหวยว <ell> ่าต้องแจ้งความ ทำไมอ่ะทุกคนที่ถูกหวยนี่มีโอกาสที่จะถูกฆ่าถูกสังหารแล้วก็ไปเอาไอ้ไอ้ไอ้ลอตเตอรีที่บ้านเขาะแล้วก็แอ บ, บอ้างไงว่าว่าเป็นของฉันเพรอไอ้คนที่ไปซื้อนี่นะก็ได้แต่อะไรได้แต่ใบใช่ปะ่ะอ่าแล้วจะมีคนฆ่าไปเชื่อแล้วก็เอาใบเนี่ยไปไปยืมนะพราะคนที่ซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ไปจดทะเบียนไม่ได้ไปโรงพักเนี่ไป อันนี้ไอ้เลขตัวนี้ท้ายหัวตัวนี้ของนายคนนี้มันมีหลักฐานฉะนั้นถ้าถูกหวยนี่นะเขก็ต้องรีบไปโรงพักเนี่ยไปแจ้งความก่อนพาคก็ไปแจ้งความเสร็จแล้วนะแล้วก็มาแถลงตังนี้จะทําอะไรก็ส่วนหนึ่งไว้ทําบุญ แล้วมันมีพระในคุยกันทันวทน่วประเทศ น, นะว่าว่าการพนันในบาปพิดศีลและไม่ใช่ปิดศีลของพระนะปิดศีลสามัญชนยิงพระเล่นเล่นหวยนี่พระื้อลอตเตอรีน่นี่อันนี้ยิงแล้วเลยแต่เขาบอกามาอามาทำบุญุญนี่มาตรฐานมาตรฐานตมันูนทำลายไปหมด ถ้าจนนี่ไม่หรอกปาชน น, นี่ขอให้ฉันจนแต่ให้ฉันถูก ถ, ถูกต้องรวยถ้ารวยแล้วไม่ถูกมันจะช่วยได้ไงเรื่องนี้เนี่ยคนคนที่อะไรทําข็สูงมากนี่เขาเ้าตระหนักเรื่องนี้จริงเพราะเขาเขาสัมผัสอะไรไงความมั่งคั่งมั่งมีความร่ำรวยมันไม่ช่วยอะไรไช่วยไม่ไม่มีอะไร คนรวยที่คิดจะฆ่าตัวตายเพราะอะไรถ้าด่าว่าวัตถนุนีมันเป็นปัจจัยสําคัญนะแต่ทําไมคนรวยเขาฆ่าตัวตายบางคนบอกว่าคนจนก็ฆ่าตัวตายใช่คนรวยนี่ฆ่าตัวตายคือ ท, ที่ที่รู้ตัวว่ายังไม่พบความถูกต้อง และคนจนน่ยที่ข่าตัวตายก็คือเอร์ร๊บเดียวร์นะก็คือที่ไม่พบความถูกต้องเข้าใจว่าสโลกเนี่ยโลกเนี่ยก็คือวัตถุอย่างเดียวคือเงินคือทองเพราะไม่มีเงินโดยพื้นร้อนลําบากอะไรแล้วก็ฆ่าตัวตายจนที่ทําแบบนี้นะก็คือเขาไ ม, มีความถูกต้องเขาใจผิดเขาไม่มีมาตรฐานเหมือนกัน อลัลลอฮฺสุบฮานะตะจะไม่ปล่อยให้มนุษย์เนี่ยเดืดร้อนแล้วก็ไปขอเอาละให้ค่อนเช่นสภาวะของมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยในการที่หลงเนี่ยหลงเพราะมีความจริงเรื่องสัาธรรมในมือมีโอกาสที่จะค้นหาไาสัาธรรมได้แต่ไม่เอาเพราะอาลัลลอฮฺไม่บุบฟ้องในเรื่องนี้ ถ้าหากว่าใครไม่พูบความจริงสั่ธรรมเนี่ยเาจะไม่เอาทุกข์เขาแ น, น่นอนแต่คนที่พบละ่ะคนที่มีโอกาสค้นหาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ไม่เอาอันนั้นอันนั้นนที่จะเป็นอุทาหรณ์แล้วคนอัานก็นมาวางมาตรฐานไว้จะรู้ยังไงอ่ะความจริงเนี่ยหลังจาก بندقهمي و ن ب ي ر س و ل ع ل ا ن ي قام جين تياله صوما شباب سطح ن ي نه جا ت ُ و ق َ ر س َ و ي ن د ي ا ل ل ه ُ ب َ ع إ ي َ ا ْ ي ذ ه ب ك م و ي س ت خ ل ف م ن ب ع د ك م م ا ي ش ا ء ك م ا أ ن ش ا ك م م ن ذ ر ي ة ق و م ٍ خ ر ي ن استخلاف استبدال استخلاف استخلاف بما ا ل خ ل ف ا คาลฟคุ้นเคยคาลิฟาแปลว่าตัวแทนตัวแทนแปลว่าอะไรแปลว่ามีใครไปและมีใครมาใช่ปะ่ะตัวแทนก็คือตัวจริงมีไปและและก็ตัวแทนมาอยู่แทนอิสติกลฟก็คือเอากลุ่มนึงให้ไปแล้วเอากลุ่มอื่นเนี่ยมาแทน นีที่ไปเนี่ยมันีไปเองคนตายเช่นนบีตายแล้วก็มีคนมาปกครองแทนนบีนี่คอลีฟะแต่บางทีเนี่ยที่ไปเนี่ยไม่ได้ไปเนี่ยมันมันไม่อยากไปแต่เราจะให้ไปไปยังไงอะ่ะยังอยู่ยังอยู่ในโลกนี้ ย, ยังอยู่ยังมีตัวตอนอยู่แต่เราให้ไปหมายถึงว่าไม่ได้เป็นตัวแทนของพระองค์ในการพิสูจน์ความจริงรืมสินี้อิสติลฟ หรืออิสติบดัลอิสติคามาแทนเขาอิสติบดัลเอามาทดแทนเาเอาคนอื่นนี่มาทดแทนเาัุตะพวกเจ้านี่ัลง้ศาสนาเปลี่ยนพวกเจ้า أن يجعلون ويستخلف من بعدكم الله جاهب يعني بينا لقاؤكم أليم مدهن يستخلف مدهن ا يشعي ذ ه ب ك م ويستخلف من بعدكم ماشاء كما أ ش ا ك م من ضرية قوم ا ل خ ر ي ن هذا ر برسوم، سين الله كذا برسوم ده هدفون، ثمن ي م شن ق م شن نين قوم شن د ن พระองค์ก็จะส่งให้พวกเจ้าหมดสิ้นไปยุธที่เบกุมหมดสิ้นไปหมดสิ้นไปนี่ไม่เหลือเลยก็เป็นไม่ได้กลุ่มชนของฟาโรหรือฟิราว์เนี่ยอยู่ไหมไม่มีแล้วไปแล้ว และใครมาแทนกลุ่มอื่นประชาชาติอื่นบนิสรีตกน่นยิ่งใหญ่ไปไหนไปไหนไปแล้วประชาอื่นก็มาแทนต่งทีเนี่ยไม่ได้ไปก็ยงอยู่ยบริสรเนี่ก็ยังอยู่แต่ไม่ได้เป็นประชาชาติะะที่ประเสรีอัลลอฮฺสุฮานาาประสงค์แล้วเส า, วาอิสติบดาลอิสติกลาบ่การที่อลัลลอ เียนหรือให้สิ้นไปเนี่ยคือสิ้นไปอย่างจริงเลยอย่างกลุ่มชนดามีลูดและกลุ่มชนบรรดาดามีรอซุนอะไที่เขาฝ่าฝืนนี่นะเราให้สิ้นซากไปเลยนะเมืองหนึ่งของยูที่ฝืนสัปโตนี่ที่ไปทำงานวันวันเสาร์นี่อัลลอฮห้เป็นลิงมันหมดเลยกูนุกีรดะนัข้อสีอินกลุ่มชนที่ฝืนนี่นะให้เป็นลิงนี่สิ้นซากไปเลยไม่เหลือเลย หรืออยู่นี่แะแต่ไม่ทำหน้าที่ดั้งเดิมกลุ่มชนที่ได้แบกศาสนาและเผยแพราอิสลามเนี่ยกลุ่มชนแรกก็คืออาหรับที่เราเรียกกันว่าเจ้าของศาสนาแต่ที่จริงนี่ไม่ใช่เจ้าของศาสนานี่ก็คือคนที่คนที่สนับสนุนศา ส, สนานี่แหละจะเป็นอาหรับหรือไม่ใช่อาหรับก็ตาม แต่อารับไมุวนบีลซาอบาห์นะแบศาสนาเองพอพ้นยุคของนบีละซาอบาห์น่อารับเอาละอารบไปยิ่งตามทำเหม่งตรงการอาณาจักรตองกานขยายอาณาจักรแล้วใครที่มาดูเรื่องศาสนาละคนืที่ไม่ใ่อารับทารบยอยู่ไหมยู แต่สติ้าน่ยพระที่องคให้ให้สิ้นไปเนี่ยสิ้นไปจากการทําหน้าที่เป็นมาตรฐานของศัตธรรมไปแล้วไม่เหลือซึ่งมันจีบแสบมากกว่ามันมันหายนะมากกว่ามันแช่งมากกว่าที่จะสิ้นซากไปไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีตัวเหลือเลยอะการนี้เราได้เห็น ชื้อยังอยู่ลูกหลานยังอยู่แต่เป็นประเภทที่ Allah ไม่ประทานเอาที่ Allah อันสาบเช่นไม่ไม่เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจและนี่เป็นอุทาหร์สำหรับเราในการ่า้ชีวิตและลูกหลานของเราที่เราต้องการให้มีให้มีลูกหลาน เราเราจะอยู Now, yu, uh ่อยู่ในสภาพที่อัลลอพอประทัยในสภาพที่อัลลอปิติอีกเรากาสุดท้ายแล้วนะ the last time รืจะอยู่อยุแบบเรานี่ปิติเราสบายใจชอบแต่อัลลอไม่ชอบ ไอ้แบบนี้นะที่เราเห็นกันนะประเด็นอีบรถไฟถ น, นนนะั่นก็ไม่ได้ทำมันะรถไฟในวิ่งชนชนรถรถทัวร์รถอะไรก็มีคนตายนี่เป็นสิบสิบคนประธานที่ดีซีซีก็อนุมัติ คนที่เสียชีวิตทุกคนยังได้ 5,000 ปอนด์ 5,000 ปอนด์อย่างก็ประมาณประมาณ 5,000 บาทประมาณนั่นนะอาจจะน้อยกว่านิดนึด่ง 5,000 บาทนี่ทีมของอีบเนี่ยขึ้นบนโลกอนุมัติให้ทีมเนี่ยทีทีท่เล่นแมตต์นี่นะ่ะทุกคนนี่นะ่ะ 9,000 ดอลลาร์ เกาหมื่นล้านนี่ก็เขาบอกก็ได้ล้านขึ้นปอนด์หนึ่งล้นห้าแสนไคนที่สิบหายนี่นะได้ 5,000 และไอคนที่ฝีเท้านี่ดีดีหน่อยอะนะได้ล้านห้าแต่ที่ซาอุดีนี่ยิ่งกว่าอีบก็เข้านะบอนโลกนะ อ่ะซาอุดีกาเข้าแต่ได้คนละห้าล้านเรียนลูกข right? ึ้นมาเรียนเป็นซีรีสไหมไม่ไม่เล่นบอลกันมันยังเป็นซีรีส์ไหมมันยังฮันดิษได้ไหมไม่ไม่เล่นบอลเล่นแมนเดียในฮา้านเขากำลังบอกกับชาวโลกแบบนี้ไงทำไมเพื่อนผมเนี่ยเรียนแพทย์ เขาบอกว่าดูมันสิผมเนี่ยเรียนแพทย์ น, นี่จนตาจะบอดแล้วอะแล้วแว่นของฉันนี่ทุกปีหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนรายได้ของเพ้นหนึ่งก็ดีแต่ไอคนนี่ไม่ไดเรียนอะไรเลยถูกต้องคนที่เล่นเป็นนี่นะมันไม่มีสถาบันมีมหาวิทยาลัยมอนไหมมีไหมมีไม่ ม, ม, ม, ม, ม, มีมีสโ ม, สโมยน ขายที่เสียนใครที่นา่าใครที่ไปรอดนี่ก็ดังนี่ก็เ น, นี่ยใครอะไอ้ไอ้ไอ้ที่เขาถูกขายจากบาร์เซโลนาไปไปอยู่ฝรั่งเศสฮะเอเอเท่าไหร่นะสะัพันกี่พันละกี่หมื่นล้านพันลาน้านหมื่นเเป็นหมื่นล้านาเป็นหมื่นล้านบาทเป็นร้อยล้านยูโร เออสองรอล้านอยู่บนเป็นมีล้านบาททาเป็นเล่นหมายถึงว่าถ้ามีรัฐบาลอ่ะจะมาโกงกี่ชุดกี่รัฐบาลอ่ะนะมันไม่ได้เท่ากับราคานักแต่บอลคนเดียวรัฐบาลบ้านเราอะนะให้มันมากินให้มันมาแบเบฉลียวฉลาดในการซุกอะไรทุกอย่างเลยมันไม่เท่ากับราคานักแต่บอลคนคนเดียวโทษสัตว์ เขากำลังประวัติการน่ะไม่เคยเจอแบบนี้แล้วเรากำลังบอกกัชาโลมีมีคุณค่าอะไรที่พวกคุณเนี่ยเรียนศิจย์ธรรมกันแสวงหาความถูกต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็สุดท้ายได้อะไรก็ติดคุกกัน น, นั้นน่ะคนนี่คนคนี่แสวงหาความถูติดคุกอ่ะที่เศร้าดีกรดีที่อีบก็ะดีเห็นไหมอยู่ไหนกันน่ะ5ปีไหนก็ติดคุกแล้คนนี่ไม่เอาไม่เรียนทําไมอ่ะ แม่สมองฉันไม่ดีฉันจะไปเล่นบอลม่ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อลูกแต่ลูกเนี่ยวิสัยนี่วิสัยนี่มันไกลจริงๆแม่ดิสมองฉันไม่ดีฉันไม่เรียนหรอกจะไปเล่นบอลไปเล่นสมอสรลูกเรียนเราจะได้มีปะเดี๋ยวเรจะได้มีชาติหนิมีปริญญาจะได้ทํางานมีเงินเดือนจะได้มีครอบครัวเลี้ยงดูแม่เฮ้ยเดิดเล่นบอล แลก็อีกไม่เล่นบอลนี่ก็จะเป็นในแบบเป็นนางแบบเป็นนักแสดงนะใช่ป่ะเป็นเป็นดาราก็เหมือนกันอะฉันฉันไม่เป็นทนายความฉันไม่เป็นไม่เป็นหมอไม่เป็นอะไรแล้วฉันจะเป็นพวกนี้แหละนักเตะบอลเป็นนักแสดงจริงไหมล่ะจริงไหมล่ะจริงแล้วพวกนี้แหละปัจจุบันนี้เน่ยก็เป็น พวกที่กําหนดมาตรฐานความสวยงามใครเป็นคนกําหนดที่บวกเราแต่งตัวก็ไม่แต่งตัวไปตามใครก็ตามเร่องนี้นะการเกณฑ์มันยังไงจะเป็นยังไงมันก็ตามเรืนี้นะการรูปนักเตะบอลรูปนักแสดงเขาไม่ได้แต่งตัวตามนักการเมืองไม่ได้แต่งตัวไม่ได้แต่งตัวตามข้าราชการไม่ชาวบ้านอะชาวโลกอะอันไหนะ เขาาเขามาซีตัวมาฟังตับซีรฮีฮะดีษไหมมั่นถ้าเขาซี้อตัวดูหนังดูคนอนเสิร์ใช่ไหมละ่ะกระแสนี่คนเรานี่ะเป็นคนสร้างมาตรฐานสิ่งที่ดีไม่ดีถูกไม่ถูกยอดเยี่ยมไม่ยอดเยี่ยมสุดยอดไม่สุดยอดก็พวกนี้แหละดิพูพดระบบท้อง ความรเรื่องที่คุมใจจริงๆรเรื่องที่จะมาเล่าพวกเราฟังคนคนนี้ไม่รู้อินุอินเอนะชาวบ้านชาวบ้านคนนี้ไม่รู้อินุอินเขายัง ม, มีโอกาสที่จะเข้าในศาสนามากกว่ามากกว่าพวกนี้แต่ว่าปัญหาใหญ่ ของนักปกครองแบบนี้แบบนี้เนี่ยปฏิทิเอปฏิอีบนี่เป็นปฏิทที่ประกาศล้มละลายแล้วแปลว่าอะไรล้มลลายเขาบอกว่าอีบนี่ในปัจจุบันนี้นะไม่ใช่ล้มละลายธรรมดานะคือล้มละลายเนี่ยมาตรฐานล้มละลายนี่ก็คือรายได้ของบ้านเมื่อประเทศชาตินี่นะเท่ากับหนี้สิน ไรายได้เรานี่ตอนหนึ่งปีสหนึ่งปีเนี่ยรายได้เราเนี่ ย, สไไยแสนหนึ่งแล้วเรามีหนี้สินหนึ่งแสนง่ายนะก็เท่ากับไอ้แสนที่เราได้มาเนี่นะจะไปทอะไรใช้หนี้แล้วเราจะยงไงอะ่ะยงไง<ม>ก็ต้องกู้ก็ต้องกูงนะ้ไงเพราะไอ้แสนเนี่ยจะไปใช้หนี้เก่าแล้วเราจะยิงไงอ่ะ้ห<ม>นี้ใหม่แต่อีี่เนี่ยไอ้นี่ไอ้จบๆแล้ว อีฟเนี่ยเมื่อห้าปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ซีซีเนี่มารับมาแรกๆเลยนะหนี้สินหนี้สิ น, น, สนรายได้ของประเทศใช่เท่ากับหนี้สินแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่อีฟเนี่ยกู้เงินคือเขาไม่ได้กู้เงินรายได้เนี่ยไปใช้หนี้ใช่ไหมแล้วก็มีไปกู้จะได้มา จะได้มาใช้จ่ายฮะอันนี้เนยคือบริบทิล้มอะไรคือเอารายได้เนี่ยไปใช้หนี้แล้วก็ไปกู้ใหม่จะได้มาใช้จ่ายไม่อีฟเนี่ยเอารายได้เนี่ยไปใช้หนี้นะแล้วก็ไปกู้ใหม่จะได้ใช้ดอกเบี้ยใหม่ซึ่งหมายความว่าอีฟเนี่ยไม่มีงบประมาณ ไดไดเลยในการพัฒนาประเทศชาติไม่มีเลยงบประมาณส่วนมากก็เ0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้นี่ที่เหลือนี่ก็คือเกินกนี่แหละไกินข้าวไว้กินและซีซนี่ยังมีตังอนุมัติคนกลับมาเล่นบอลดีใจกันแล้วไม่ใช่ว่าที่จะไปที่จะไปขึ้นบอลโลกนี่พเพราะเาไปเล่นแมตช์แล้วก็เล่นเกงแล้วก็ยิงเข้าประตูนะไม่ใช่คือเสมอกันแล้วก็ หลังที่เสมอนี่เขาจะมียิงเ็ อ, อะไรกันอลยฮะเออไอไอยิออยงลูกโทษอ่ะยิงก็ได้ก็ก็ก็นแค่นี้มันก็ไม่ชสีวัวใจว่าละไม่เสสุดยอดอะไรตรง น, นคนละเก้าหมื่นโดนลเล่นแมตต์กี่ชั่วโมงเก้าสิบนาทีป่ะเกนาทีได้เก้าหมื่นเีย นาทีละหมื่นดอลล่าร์มื่นหนึ่งก็คือสามแสนสามแสนห้ามืนบาทสามล้านเอ๊ะหมื่นดอลล่าร์เท่าไหร่สามแสนห้ามนห้ามืนต่อนาทีประทานต์ดูอก้ามนี่ฮดิยานะ ฉชพาะแบบนี้นะไองเงินเดียนเขาเนี่ยอีกอย่างหนึง่งสวัสดิการนัอีกอย่างห น, นะนึ่งนไอก้าหมื่นนี่เฉพาะแบบนี้นะมถึงว่าอีกรอมกับบมมสกับบอเชนาเนี่ยเล่นไปเหอะเล่นบอลไปเหอะทั้งชาทั้งแล้วก็ลูกหลานให้มาเล่นอีกนะ <laughs> ไม่มีสิทธิ์ มันทำลายทุกอย่างมีคลิปอันหนึ่งก็ก็หลังจากนี้คลิปอันหนึ่งทีวีเขาสัมภาษณ์เนื่องจากว่ามีโพลที่อีบโพลที่อีบเนี่ยปรากฏว่าห้าซของคนอีบเนี่ยเขาโกหกเขากลับไปถามชาวบ้าน ถ้านเห็นยังไงครับว่าเนี่ยโพเนี่ยเขาบอกว่า ป, ประชาชาติอีบเนี่ยประชาชนเนี่ยซึ่งประชากรเขาเนี่ยเก้าสิบกว่าล้านละห้าสิบห้าปอนต์โกหกเขาบอกว่าไม่จริงเป็นไ ป, นปนไม่ได้มันต้องร้อยปร์เซ็นตะ์ะที่โกหกทุกคนเลยนะไม่น่าจะใช่นะน่าจะร้อยปอเซนะแล้วก็ไปถามเด็กมันเป็นเป็ น, ป น, ปนไม่ได้ พวกเราเนี่ยคนหยิบโกหกกันทั้งประเทศผมนกหกเด็กมันซื้อผมนกหกเออโษนี่มันกระทแล้วไมแล้วไมหนู้งโกกล่ะกได้กินจได้อกคนอื่นได้ไงม่งั้นจะโกกทไมเมันเป็นมันเป็นเวทีใหญ่นะเป็นละครใหญ่นะปัจจุบันเนี่ยเป็นละครใหญ่ สังคมอีดีใจเพราะขึ้นจะเข้าบนโลกเขาจะไปเล่นที่รัสเซียกันข่าวนี้ใช่ปะไปเล่นที่รัสเซียเข้าหน้าอีกสปีเนี่ยเขาจะไปเล่นที่กาตานสนุกประชานชาอิเนี่ยดีใจว่าเขาติดบอลโลกแต่คนที่ติดคุกอยู่แสนกว่าคนไม่ถูกดำเนินคดีเนี่ยประชาชนาอีบิเขาไม่รู้สึกรู้สึก บ้านเรานี่ยังไม่มีเรื่องตังใช่ป่ะยังไม่มีเลือก ต, งงกตังนะซีซีเนี่ยเขาจะหมดวาระอีกสองปีนะอีกสองปีจะหมดวาระไอ้นีไน่ไอ้พวกมนาฟิกเนี่ยเริ่มหาเสียงให้ซีซีนะ่จะเลือกเขาอีกรอบนึงอีกสมัยหนึ่งสมัยของเขานีสมัยหาปีจะเลือกเขาอีกสมัยหนึ่งโดยสโลแกนที่เขากาลังหาเสียงให้ซีซีเนี่ยท่านจะได้มีโอกาส สร้างปฏิชาราะัเทศชเาติั <laughs> เเวเระหวเาะัวเราะหมวเหัวเราะวเีาะัวเราะหัวเห ล, อลวอาลอลล า, า, าะหัวเาะหัวเรหเราหเาะหัวเาะัเระหัหัวเราะเราะหัเราะห้วเราหัวเราะหเรยะหัวเราะหัวเระหเรหัวเราะหัวเที่ลลทหัะหระหัวเราะห อันนี้อัลลอฮ์ไม่ไดบอกตรงนี้เลยใอายะนี้ว่าที่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์หรือที่อัลลอฮ์ประสงค์จะเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะอะไรแต่เข้าใจจะเหตุผลก่อนอายะอายะก่อนหน้านี่ละกายะหลังจากนี้เท่าราเปลี่ยนนี่ก็คือคนไม่ไม่เอาหลักการนั้นไม่อยู่หลักการเพราะก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องยินและมนยินและมนุษย์ใชมที่อยู่ในหลักการแล้วไม่อยู่ในหลักการอัลลอฮ์ไปเลยบอกว่าถ้าหากว่า ก่อนหน้นียวันนี้คุณลินตราเาทุมมอมาเอามาบุกระบิ้องฟิลน้ำแมวไม่เผื่อไผยจากสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันสะสมกันอยู่อ่าแสดงว่ามันมีคนที่อยู่ในแนวทางเราเราจะปลดปรานและมีคนที่บิดพริ้วอัลลอไม่เผื่อไัยนะแต่คนที่ไม่เอาในหลักการเนี่ยอัลลก็บอกว่าถ้าเราประสงค์จะเปลี่ยนจะให้สิ้นไปหายไปก็ใคร่างคนที่ไม่ไม่เอาหลักการอัลลไม่เผื่อไผอัลลจะ จสิ้นสากไปเลยถ้าเราประสงค์อิสลามเปนบาตรกุลเมชแล้วเราจะเอากุลชนอืนและจะส่งให้สืบแทนจากพวกเจ้าตามที่พระองค์ทรงประสงค์แทนจากพวกเจ้าคนอื่นที่ไม่ทาเหมือนพวกเจ้าอย่างที่ในสุรมุฮัมมัดอัลลอกะัิสลมากอ ถ้าพวกเจ้านี่หันหลังให้ศาสนาแล้วใส่เราจะเปลี่ยนแปลงพวกเจ้าเราจะเอาคุมชนอื่นมาแทนแล้วคนอื่นเนี่ยจะไม่เหมือนพวกเจ้าเขาไม่เหมือนพวกเจ้าในการบิดผิวในการผิดสัญญาในการไม่ทำหน้าที่ต่อละซุบฮันนะวะท่าขณะอันชาคุณมินซุรีิีก้าวมาอัครินลายะจะรูอัลลัทําได้นะใกล้เรานึกถึง ดังที่ได้ทรงบังเกิดพวกเจ้ามาจากลูกหลานของกลุ่มชนอื่น พ, พวกเราอี่มาจากไหนลูกหลานของกลุ่มชนอื่นแล้วกลุ่มชนอื่นน่นนะลูกหลานเขานะไปอยู่ไหนแล้วอ่ะไปแล้วไม่เหลือแล้วอะไรที่เหลือล่ะสิ่งที่จะคงเหลือ สิ่งที่จะอยู่ตลอดก็คือความถูกต้องคุณงามความดีสังเกตได้เลย <c oughs> ทุกยุคทุกสมัยคนที่เป็นปฏิปักษ์คนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับอาม่เนี่ยไม่เหลือประวัติศาสตร์นี่ไม่เอาไว้เลยแล้วถ้าเอาไว้เอาไว้ในแง่ที่ถูกแช่งถูกประนามแต่คนที่อยู่ ฝังของนักสัมมาวรรณแล้วก็ถูกสรเสริญทุกยุคทุกสมัยแม้ว่าจะเป็นคนที่อ่อนแอกษัตริย์ที่ค่าอาซาบุลขุดที่ขุดสนามเพาะแล้วก็จุดไฟแล้วก็โยนผู้ศรัทธาไปในไฟกษัตริ์คนนั้นน่ะที่ไหนชื่ออะไรไม่มีใครแต่คนที่เสียชีวิตในมนั้นอัลลอ์นี่อัลล์ยคจัก เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับมนุษยชาติทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยทุกยุคทุกสมัยเลยเศรษฐกุปทุกคนทุกคนจริงๆนทั่วโลก CIA ยังรู้จักเลยแต่ยามรื่องจำ ผู้วักษาที่ตัดสินพิบักษาให้ติดคุกให้ประหารชีวิตตำรวจที่จับเขาไอเจ้าหน้าที่ที่ทรมานเขาซ้อมเขารวมถึงคณะอัรมนตรีต่างๆที่อยู่นุ้นั้นนะ่ะอยู่ไหนอะ่ะใครพูดถึงเขาบ้างอะ่ะไม่มีสิ้นซากไปเลยหาย ไ, ไเปเลยสตั๊กหลีกความั كما شاكم من ذرية قوم آخرين. كل تطخين لغة يانغ التي لاو. คง أواي. ทิ้ไปไนะอัลลอฮ์ก็จะทิ้งเราและนี่คือมาตรการที่ผมบอกตอนต้นนี่คือมาตรการที่เอามาวางไว้ในรอบนีนะ้จะรู้ยังไงเ่ยว่าคุาณอ่านนี้เนี่ยจะรักษาความจริงความถูกต้องสัจธรรมตลอดไปเนี่ยจะมีกลุ่มชนที่จะมายึดในคุณอ่านกลุ่มชนเนี่ยกลุ่มชนใดถ้าบิดผิวกับคุณอ่านบิดเลือนคุณอ่านอ่ะไม่เหมือนยุคก่อนแล้วนะยุคก่อนนี่ในเวลาบิดเลือนออหูรุ่งเลย แต่เไม่ใช่แล้วนะพราะว่าคุอานมาใครดีใจอยู่กบกุณอ่านนะนะอัลล์ก็จะรตปใครีจฮัลหกุอานอัลล์เพยงเลยเพื่อเพื่อให้มีบุคคลที่จะรักษามาตรฐานของกุรันอัลลอฮ์ทุกยุคทุกสมัยเป็นอย่างนั้นจริงๆและบางทีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ความจริงเนี่ยไม่ได้ปรากฏ กัคนที่อยู่ในในแต่หมายถว่าศาสนานี่เราบอกว่าศาสนานี่เออมีเจ้าของศาสนามีคนที่ดูแลเรื่องศาสนาเช่นผู र, ้รู้เช่นอุลามาเช่นแต่บางทีนี่ไม่บางทีเนี่ยอัลลอฮ์ให้รักษาความรู้นี่ไม่ได้ไม่ใหอุลามารักษาความรู้ให้คนอื่นนี่จะมารักษาความรู้ถ้ามีอุลามาที่มีผิว ที่ดูแลและที่ดูแลที่ปกป้องศาสนามาโดยตลอดเนี่ยก็คือนักปกครองบรรดากษัตริย์บรรดาแม่ทัพทั้งหลายที่อยู่ในอาณาจักรทั้งหลายเนี่ยที่ปกป้องอิสลามมาโดยตลอดใช่ไหมแต่เราดูหลังนี้ไม่ใช่รัฐบาลแทบทุกรัฐ บ, บาลในโลกเนี้ของมุสลิมมาแนละ้วบูเรติ ม, มนะันและทีหลนันี่ใครที่ปกป้องอิสลามก็คือกลุ่มกลุ่มกลุ่มต่างๆในกลุ่มมุญาฮิดินต่างๆ คนโลกนีน้แล้วแต่บางประเทศช่วยอะไรได้อะชาวรุ่งเี่ยช่วยอะไรไม่ได้ไอ้อะไรอะไอ้องคอนรองค์กรของโลกมุสลิมอะเกือบแปดสิบประเทศทำอะไรได้อะ ม่ได้เลอนนี้ผู้อพยพมีแค่แล้วคนนี้เสียชีวิตดนับร้อยและช่วยอะไรได้วยอะไรไม่ได้แต่ทุกคนที่พยายามรักษาอะไรอะไรที่มันเป็นหลักการศาสนาเนี่ยพยายามอนุรักษ์ไว้เก็บไว้บูแลไว้ให้ดีแม้ว่าจะบอกพวรองอื่นแต่ถ้าเรามีเรื่องกันจะเกไว้ให้ดี อย่าตัดข้อผูกพันกับอัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺคนที่ตัดข้อผูกพันหังหันหลังให้ซาเน่ายางสิ้นเชิงอนี้อยา่าลทิ้งเลยเขาเล่ากันนยวน่าในยุคสลบนี้อลุลลามเขาเดินทางปกติแล้วเดินทางเป็นคาราวานใช่เดินทางเป็นคาราวานแล้วมีคาราวานนี้ก็จะมีอาหารมีทับส ม, บมุัมี ธุรกิตอะไี่เจะพาไปขายนู่นขายนี่แลวจะมีพวกโจรโจรป้นคารวานเรบงังเอิญคารวานนี่โดนป้นโจรนี่มาป้นคารวานนี่ยก็เอาก็กมัดมัดอุลามานแล้วก็เอาอาหารเอาเสบียงวะนี่ขเขแจกกันมานั่งกินแต่มีโจรคนหนึ่งเขไม่กิน อยูรูกรถามว่าทไมไม่กินเขาเขาบอกว่าผมทนอดีจนทฤษฎีอนามัยแล้วำไงแก้แก้เนี่เป็นโจน้ทีนะเป็นโจน้ทีเนี่ยแล้วก็ยังจะมารักษาทนษดีชนที่บอกว่า <laughs> อุพบุน يكون بيني وبين บัยฉันี่ระหว่างฉันกนหลนี่ประตูนี่ยมันถกปิดไปยะลจนทยุกปิดไปหมดฉันอยากมีประตูสักประตูหนึ่งเปิดไว้ระหว่างฉันก่อเหฉันขอรักษาประตูนี้ไสักประตูนึ่งถึงมันจะดูตลกกันนะแต่มันก็มีเหตุผล อ, อุลมามะบอกว่าหลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นน่ะเขาก็เดินทางแล้วกับไปมักกละกละังหลายปียนะไปมักกะนี่กไปตะวากก็จะจออโจรคนเนี้ยได้เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วกับเป็นผู้รู้เป็นคนที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงโจรคนนี้แสดงว่าอะไรที่เราอนุรักรักษาไว้ในศาสนาเนี่ยย่อมมีประโยชน์ แ้วจะน้อย nah ิดก็ตามปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่หันหลังให้ศาสนาเลยไม่เอาศาสนาเลยรือรรงให้คนเกลียดชงศาสนารณรงคให้คนเนี่ยหันหลังให้ศาสนาความเสี่ยงที่อเมกาโน่แต่เราจะเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนทั้งหลายเนี่ยให้สิ้นซากไปหมดเลยเนี่ยก็สําหริบคนี่หันหลังให้ศาสนาอย่างสิ้นเชิง แต่คนเรานี่มีมีหรอกคนที่จะรักษาหลักการศาสนาคําสั่งสอนอุดาเนี่ยทุกประการทําทุกประการนี่มันไม่ได้แต่เราไม่ทําแล้วก็เรารู้สึกบกพร่องแต่ไม่ต่อต้านไม่ต่อต้านผู้หญิงคุมยียาไม่ได้ไม่อยากคุมอ่อนแออยากจะโชว์ความสวยงามแต่พอเห็นมุสลิมคนอื่นเนี่ยคุมยิจาไปแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยดีกว่า แล้วเขาจะสนับสนุนมีหลายคนนะนะไม่คุมียาแต่ลูกนี่บังคับเขาบังคับให้ลูกคุมีจาตัวเองก็ไม่ได้เรียนกุอณอ่านแต่บังคับให้ลูกนเนไปเรียนกุอณอ่านพ่ไปถามเขาทาไมอะเาบอกว่าฉันได้ผิดมาแล้วไม่อยากให้ลูกฉันมีผิดอีกเหมือนชัน น, ชนี่มีประโยชน์มีประโยชน์ลูกลูกเขาเนี่ยต้องมีประโยชน์สักวัน เรารู้สึกว่าเราอ่อนแอแต่เราไมเป็นไฟที่ตอดแานศาสนาโดยเด็ดขาดเพราะมันมันแก้ไม่ได้ถ้าอัลลอสุบฮานาะบอลงโทษนี่ก็คืออิสตนะิบดาลนะอิสติบดัลนี่มางไปเลยสิ้นซากเลยเพาะคุณนี่ใช้ไม่ได้เยให้กลุ่มอื่นมาเนีย่ยที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดเนี่ยวันดีคืนดีนะเรานี่ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นคนนาสนอิสลามมัน้องมีมันร้องมีอคัลร้องมีสัญญาลัมุสลิมดเดะมุสลิมนฟรอนะมุสลิมอัลมก่ละมุสลิมมุสลิมทีอ่านคุตอันเบนไม่ละมุสลิมเอยุไนยาไม่มีไม่มีบทบา้ายคืมุสลิมใหม่ใที่อ่านุอน่เป็นนี่และ มุสลิมที่เพิ่งะมหมาดวนซื่อเนี่ยแหละปราก ว, นวาคนเหล่านี้เนี่ยที่เข้ามาปกป้องอิสลามเข้ามาบูรณะอสิสลามส่งเสริมการไปไปเผยแพร่อิสลามร่วมมีสน่ห์ลักละมันก็จะมาถึงจุดที่พวกเราทุกคนเนี่ยก็จะต้องมาทบทวน <c oughs> ทบทวนว่าในชีวิตของเรานี่นะเรื่องหนึ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยละเว้นไม่ได้ เราทําอะไรเพื่อศาสนาเพื่อศาสน า, สสนาแล้วจะจะต้องเปลี่ยนทัศนคติต่อคนอื่นที่ปัจจุบันนี้เราดูถูกเขาเอาคนนีงยี่งังไงที่มายืมอะไรกับศาสนาเหรอบกก็เรืนี้แหละที่เราจะเลือยให้เข้าไมมาดูในศา ส, สนาแลวะวกอีกคนนี้ ก็เหมือนพวกอาวาร์พวกมัดหลวงของยวุธโนสอรนะคือเจ้าของศาสนาเลยนะเปลี่ยนเลยทำไมเพราะเขาขายศาสนาไงแล้วก็เลยเปลี่ยนให้คนอื่นนี่มาทำนาทีแทนสิ่งที่จะทำให้พวกเราเนี่ยได้อยู่ในบรรทัด ฐ, ฐานที่มาจากอัลลอฮ์อันเป็นแหล่ง ของศัจธรรมของการวิสุจธศัจธรรมเนี่ยก็คือการที่เราอยู่ใกล้ชิดกับกุฎอานกุฎอ่านนี่คือที่กับที่ที่ตั้งการศึกษาเรียนรู้เข้าใจกุอ่านนี่แหละยังคงรักษาไว้ซึ่งคนดีกำลังยึดมั่นศึกษาเรียนรู้กุอ่านและปฏิบัติเท่าที่ปฏิบัติได้ให้มีคำตอบกันแล้วกัน ศึกษาเรียนรู้แลวก็พยายามปฏิบัติศึกษาเรียนรู้แลก็พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่ศึกษาเรียนรู้แล้กับพยายามบูรณะชีวิตเตียนชีวิตให้มันสดคล้องกับสิ่งที่เราึกามาถที่สุดนี่คือคาตอบที่เราสุภาณวจาระจะใชในการที่จะอนุญตให้เราเป็นตัวแทนของพระองค์หรือคนอื่นจะมาทาหน้าที่แทนอภัยโทษน่ถ้า l l a h เปลี่ยนเราเนี่ยอภัยโที่สุด เรนี้มันใช้เวลานิดเดียวที่จะให้พี่สุได้เห็นบอกกับพี่น้องเราว่าคนที่ทํา ง, น า, งนนานศาสนานี่ไม่ใช่หมายถึงคนที่พูดอย่างอย่างที่ผมบรรยายนี่ไม่ใช่หมายถึงว่านี่แหละคนที่ทำงานศาสนาตัวแบบนี้แหละไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่รูปแบบเดียวของการทำงานศาสนาใช่ไหเราจะเห็นว่าคนที่บรรยายคนที่บรรยายแต่ทําลายศาสนาในมี ถึงแม้ว่าสังคมมองว่าเอเขาเนี่เป็นผู้รู้ป่ยไม่แต่เขาทําอะไรศาสนาเพราะกันทำรูปบํารุงศาสนานี่ไม่ใช่มารื่องฉัจะมาบัญญายแสดงว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าของศาสนานเป็นคนที่ดูไรศาสนานี่ยไม่ใช่คนที่ทํางานศาสนานี่คนที่ปกป้องศาสนาคนที่ทําไม่ศาสนาเนี่ยเริญเต่โตแต่คนบรรยาและจะไม่ศาสนานี่ยหัวบัรยายลวก็ทําให้คนสับสน สอนเะกจะไม่คนเนี่ยลงทำลุกบำรุงศาสนาได้ไงเราก็มีตัวอย่างให้เห็นนะการบ้าน ง, ง่ายๆที่เราจะต้องทำนี่ก็คือสมาชิกครอบครัวพวกเราทุกคนนะดูแลให้ดีเขา อ, อยู่กับกุาลไหม ศึกษาเรียนรู้กูอ่านไหมมีศึกษาเรียนรู้กอ่านี่อ่านกูอ่านเป็นโอ้ยอ่านกูาอานถูกต้องมีคูมาสอนกูอ่านเรื่อนี้ไม่พอไม่พอเขาทำกันมาหลายยุคหลายศตวรรษแลว้วเรียนรู้กูอ่านอ่านกูอ่านอย่างดีเลยแต่ไม่ไม่ดไม่ดีไม่ไไ ม, ม, มีปกป้องคําสั่งสอนของกูอ่านคือเราต้องปลุกฝังกับลูกหลานของเราให้เขานี่รักรักรกูอ่าน ถึงว่าชีวิตของเขาต้องอยู่กัุฎอ่านยังไงก็ต้องขันมาหันมากบคุฎอ่านตลอดองุฎอาน้คาากเบงกันีนะครับุัลลัลลอฮวะนบีดาุพะอลฮัลลัลลอฮซัลลมอะลัย